จเจริญพรโยมได้ข่าวว่าฝนตกมากเมื่อเดือนก่อนเราก็ไม่ว่างพอดีออกไปต่างจังหวัดไปทำวัดครูอบาอาจารย์หลายแห่งหลายองค์ในท้องของงดไปนะบางคนมาแล้วก็ไม่เจอก็ขอโทษด้วย เรามาศึกษาธรรมะนะเป็นโอกาสโอกาสทองของชีวิตนะเรียกว่าโอกาสทองเชละโอกาสที่คนคนหนึ่งจะได้ฟังธรรมะแท้แท้นะมีไม่มากนะมีน้อยฟังธรรมะแท้แท้ของพระพุทธเจ้าแลยต้องฟังธรรมะในถึงขั้นของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะส่วนธรรมะที่ระดับรองลงมาจากนั้นนะ ถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการสอนกันอยู่แล้วนะอย่างเรื่องการทำทานการรักษาศีลการทำสมาธิสิ่งเหล่านี้ถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวชท่านออกไปบวชที่แรกท่านก็ไปหัดทำสมาธิกับฤาษีฤาษีที่มีชื่อเสียงอาราธดาบท อุทกกดาบทสองคนฤาษีนะอสองรูปนี้ก็สอนให้ท่านทำสมาธิจนถึงฌานที่เจ็กับฌานที่แดได้อารูปฌานเพราะงั้นการทำสมาธินะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อีกนะนี่ท่านไปเรียนแล้วท่านก็พบว่าการที่จิตน้อมไปอยู่ในความสุขในความสงบในความไม่มีอะไรเลย หรือน้อมลงไปจนแทบจะหมดความรู้สึกนะมันมีความสุขในขณะที่ทำเท่านั้นแหละขณะที่จิตถอนออกจากสมาธิมันก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมท่านก็ยังไม่พอใจว่าการพ้นทุกข์นี้มันพ้นเป็นค่าวๆมันไม่พ้นถาวร น, นี่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการยันท่านไม่ได้ต้องการของชั่วครั้งชั่วคราว นั่งสมาธิแล้วมีความสุขสบายออกมาแล้วไม่มีความสุขอีกละมีทุกข์ขึ้นมาได้อีกความสุขที่ยังแปรปรวนในนี้ท่านเห็นว่ายังไม่ใช่สาระแก่นสารท่านอยากจะได้ความพ้นทุกข์ที่ดีกว่านี้ที่ถาวรนะเสร็จแล้วท่านก็มาออกจากสำนักของฤาษีไปหาวิธีด้วยตัวของตัวเองนะ ในสมัยโน้นนักบวชเนี่ยชอบทรมานร่างกายคือเขาก็มีความคิดดีมีพื้นฐานความคิดที่ดีเหมือนกันก็เห็นว่าเพราะคนเรามันรักตัวเองนะมันถึงชั่วได้นะอย่างรักร่างกายนะร่างกายแปรปรวนไปอะไรเนะี่ยก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายมีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะสนองความอยากไปก็สบายใจไม่สนองก็ไม่สบายใจงั้นมาฝึกใหม่ดีกว่า นะมาฝึกทรมานมันไม่ตามใจมันเพราะตามใจมันไปเนี่ยมันมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากอย่างอื่นต่อไปอีกงั้นหาทางที่จะทำลายความอยากในกายในใจใช่เลยมันอยากให้ร่างกายสบายนะก็พาให้มันลำบากจะได้ไม่รักร่างกายนี่เขาก็มีคอนเซปต์นะไม่ใช่โง่นะหรือสนองความต้องการทางใจจิตใจมีความสุขแล้วก็มีความสุข ข, ขึ้นมา ต่อมามก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกนั้นทรมานมันเลยมันอยากได้อะไรไม่เอามันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากเป็นอย่างนี้ไม่เป็นนะต่อสู้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเนกา v e ฟเนกา i v ฟไม่เอาปฏิเสธหมดเลยความสุขในกายไม่เอาความสุขในใจไม่เอาหวังว่าวันหนึ่งจะไม่รักกายจะไม่รักใจเขาก็เก่งเหมือนกันในการคิดนะ นี่ท่านทดลองอยู่หลายปีนะทรมานเท่าไรเท่าไรนะทรมานกายทรมานใจนะอย่างแสนสาหัสความอัศจรรย์ของท่านก็คือตลอดเวลาที่ท่านออกจากวังมานะิดินรนสแสวงหาทางพ้นทุกเนะี่ยท่านทำด้วยความเด่นเดี่ยวแน่ๆไม่เคยคิดจะถอยหลังกลับเลยนะท่านบอกท่านไม่เคยขาดสติเลยนะเนี่ยสติมีมาแล้วนะแต่ยังไม่มีปัญญานึกออกไห สติท่านมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีท่านบอกมานเนี่ยคอยตามท่านตลอดเวลาหกปนะีพยา ม, มารตามอยู่ยตลอดหกปีหวังว่าเมื่อใดเจ้าชายสิทธัตถะท้อใจจะมาเกลียรกล่อมให้กลับวังนะแต่มานไม่มีช่องเลยไม่เห็นช่องทางเลยพระเจ้าชายนี้ไม่ยอมขาดสติเลยนะ ไม่ยอมหลงกลปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะท่านมีสติตลอดนะสติก็มีอยู่แล้วเห็นมสติก็มีอยู่แล้วแต่เป็นสติที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญานะเป็นสติในการบังคับควบคุมกายควบคุมใจให้ดีเห็นไหยคุณงามความดีทั้งหลายแหล่นะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่ใช่ไม่มีเขามีเหมือนกัน เสร็จแล้วท่านก็พบว่าไม่ว่าจะทรมานแค่ไหนนะมันก็ไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยมีแต่ลำบากมากกว่าเก่าท่านก็คิดถึงทางสายกลางทางสายกลางคือการที่ฝึกจิตฝึกใจนะให้เกิดปัญญาฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาถ้านคิดถึงตอนเด็กๆท่านเคยนั่งสมาธินั่งหายใจหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าในตำราก็ยังมีเถียงกันนะ บางคนก็แปลว่าหายใจออกก่อนบางคนก็แปลว่าหายใจเข้าก่อนลองไปดูสิถ้าหายใจออกก่อนกับหายใจเข้าก่อนเนี่ยสภาวะจิตจะไม่เหมือนกันนะหายใจเข้าก่อนจะรู้สึกลองหายใจเข้าสิงม้ใจจะแข็งลองเริ่มต้นด้วยการหายใจออกใจจะคลายกว่านะความจริงถ้าแค่หายใจเข้าแล้วใจแข็งขึ้นมารู้ทันหายใจออกใจคลายออกไปรู้ทัน แค่นี้ก็ภาวนาได้นะเห็นไตรักได้แล้วแค่นี้ง่ายๆเห็นไจรักแต่ง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> อาณาปานสติเนี่ยากมากนะท่านนึกถึงตอนที่ท่านตามพ่อท่านไปแลกนานะไปแลกนาพวกพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ไปดูพระเจ้าสุดโททนะไถนาพวกเจ้าศักระยานี่พวกทํานานะสุดโททนะแปลว่าข้าวข้าวบริสุ ท, ทธนะ์ นะบางองค์ก็เข้าเยอะอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ท่านอยู่ลาพังนท่านก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิหายใจหายใจด้วยความมีสติแล้วไม่ได้หายใจอย่างที่ฤษีสอนนะไม่ใช่หายใจแล้วก็ดับความรู้สึกลงไปท่านหายใจด้วยความรู้สึกตัวด้วยปฐมฌานเท่านั้นเองนะที่ท่านหายใจตอนนั้นตอนเด็กเล็กๆนี่พอท่านคิดได้ถึงการหายใจตอนเด็กๆ พวกเราสังเกตอย่างไหมว่ากรรมฐานเคยทำอะไรไว้นะตอนเด็กๆเกนะี่ยมันเคยกลับมาแล้วเราจะลืมมันไปนะไปพาวนาแทบเป็นแทบตายเลยแล้วพบ ว, ว่ามันกลับมาที่เก่านะอย่างบางคนพอดูจิตเป็นแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าตอนเด็ ก, เดกๆเคยดูจิตมาแล้วแต่ลืมไปนะอันนี้เจ้าชายสิทธัต ถ, ถาก็เหมือนกันนะไปพาวนามาตั้งหกปีทรมานมากมายนะสุดท้ายท่านก็พบว่า กลับมาหายใจแล้วรู้สึกตัวพอท่านหายใจแล้วรู้สึกตัวแล้วเนี่ยท่านไม่ให้ขาดสตนะิไม่ได้หายใจแล้วก็นิ่งอยู่ท่านหายใจแล้วท่านเจริญปัญญาท่านก็ดูไปนะความทุกข์มันมีเกิดมาแล้วมันทุกข์นะลองระลึกชาติไปมีชาติไหนไม่ทุกข์บ้างนะในยามที่หนึ่งเนี่ยท่านระลึกชาติไปเรื่อยๆระลึกชาติของตัวเองระลึกไประลึกไประลึกไปนะ หลายชั่วโมงระลึกไปไกลแสนไกลเนี่ยบารมีท่านมากพวกเราระลึกชาติเมื่อเช้านี้ยังนึกไม่ออกเลยเมื่อเช้าอุจจาระกี่ก้อนนึกออกไหมบางคนตอบได้บอกว่าเหลวเอน ะ, นะเรื่องของเราบางทีไม่รู้อ่ะแค่ระลึกชาติใกล้ๆนะเราไม่รู้นะนี่ท่านระลึกชาติไปไกลมากเลยระลึกไปแล้วในที่สุดท่านก็เกิดปัญญาปิ๊งขึ้นมา ความเกิดนะเกิดทีไรเป็นทุกทุกทีถ้าเป็นเราะระลึกได้คงสนุกใช่ไหมนะเราก็จ ะ, ะระลึกได้คนนี้เคยเป็นเมียเราตอนนี้มาเกิดอยู่นี้เดี๋ยวเราจะตามไปจีบอะไรเงี้ยเนี่ยะระลึกตามกิเลส น, นะะระลึกตามกิเลส น, นะนี่ท่านไม่เป็นองั้นท่านรู้เลยว่าเกิดทีไรก็ทุกทุกทีเนี่ยถ้าเราลึกอย่างนี้นะพอถึงยามที่สองท่านลองดูคนอื่นสิเขาเกิดยังไงที่จะไม่ทุกข์บ้างนะ สัตว์ทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดตั้งมากั้งมายนะระลึกไประลึกไปสุดท้ายท่านก็สรุปได้เกิดที่ไรเป็นทุกทุกทีนี่คนมีปัญญานะถ้าเป็นเราระลึกได้ก็คนสนุกไปเลยใช่หไหมหลงหลงโลกหลงกิเลสไปเลยท่านกลับไปเห็นว่าเกิดที่ไรก็ทุกทุกทนะีพอมาถึงยามที่สามเนี่ยท่านก็มาคนกว้าพิจารณาแนละ้วความเกิดะความเกิดคืออะไรทำนะไมเกิดแล้วมันทุกทุกทีนะ ถ้าไม่เกิดได้จะดีความเกิดคือการได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดง่ายๆได้กายได้ใจได้รูปได้นามมานะมีกายมีใจมีรูปมีนามมาทีไรก็มีทุกทุกทีนี่นะะระลึกชาติไปก็เห็นอย่างนี้ไปดูของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้นะมีกายมีใจมาก็มีทุกทุกทีเลยท่านก็ใช้สติใช้ปัญญานะเห็นไหมท่านบรรลุพระอราหันต์ไม่ใช่เพราะอนาปนสตินะ อนาปานสตินั้นทําให้ใจสงบใจสบายมีพลังนะแล้วท่านเอาพลังของจิตใจที่สงบที่สบายแล้วเนี่ยมาเดินปัญญานะปัญญาเบื้องต้นก็คือดูอดีตของตัวเองนะดูความเกิดดับของคนอื่นนะสุดท้ายมาดูเหตุดูผลนะว่าความทุกข์ความได้มาซึ่งรูปซึ่งนามได้มาเพราะอะไรนะชาติได้มาเพราะอะไรคำว่าชาติชาติก็คือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ท่านพบว่าถ้ามีภพก็มีชาติคําว่าภพมีสองอย่างนะอย่างหนึ่งเรื่องอุปาติภพอุปาติภพคือภพโดยการเกิดอย่างพวกเราเนี้ยมีอุปาติภพเป็นมนุษย์แล้วมีกรรมภพกรรมภพคือการทํางานของใจที่ทําอยู่เป็นขณะขณะพวกเรามีกรรมภพวันหนึ่งมีกรรมภพนับไม่ถ้วนเดี๋ยวก็เป็นภพที่ดีเดี๋ยวเป็นภพที่เลวบางขณะกิเลสครอบงําใจอย่างโทสะครอบงําใจในขณะนั้นเราอยู่ในภพของสัตว์นรก ร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นสรรนรกในขณะนั้นขณะใดความโลภครอบงําใจนะร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเปรตใช่ไมมีภพย่อยๆที่เป็นเปรตนะอันนี้เป็นภพย่อยๆนะภพที่เกิดจากจิตมันทํางานขึ้นมานหรือในขณะใดจิตเรามีศีลมีธรรมขึ้นมาเราอยู่ในภพของมนุษย์ขณะใดจิตเรามีฮิริโมโตรปนะนะละอายที่จะทําบาปเกรงกลัวผลของการทําบาปเราเป็นเทวดา ขนาดใดจิตใจเราสงบมีความสงบนะสุขสงบบ้างนะอุเบกขาแล้วก็สงบบ้างใจิตใจเราเป็นผนมงั้นเราจะมีภพเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาภพใหญ่ๆนั้นได้มาโดยการเกิดนะเกิดมาชาติหนึ่งอุปัฏิภพเป็นมนุษย์ก็มีภพย่อยๆนะมากมายนับไม่ถ้วนในแต่ละวันนะนี่ท่านมาดูต่อไปภพย่อยๆนี่มันมาได้ยังไง ในวันหนึ่งวันหนึ่งนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวเป็นเปรตเดี๋ยวเป็นอสุรกายอสุรกายคือพวกยึดในความคิดความเห็นคนไหนที่ยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองมากๆรีบระลึกเลยนะว่ากําลังเป็นอสุรกายอยู่นะอย่ในภพของอสุรกายพวกมิจฉาทิฏฐินะหรือถ้าใจเราหลงตลอดเวลานะนั้นภพของสัตว์เดรัจฉาน นั้นใจหลงห่อยบ่อยๆนะในที่สุดเราจะได้ไปเป็นภาคีของเดรัจฉานนะ <c oughs> ได้เป็นหมูเป็นพวกของเขา น, <c oughs> นั้นใจเหล่านี้แหละมีภพย่อยๆภ <c oughs> พย่อยๆ <c oughs> คือภพนี้เกิดจากอะไระ <c oughs> อุปาทานทำให้เกิดภพ <c oughs> อุปาทานคือการที่จิตเนี่ยโลภอย่างรุนแรงเข้าไปยึดไปถือ <c oughs> ไปหยิบไปเวยเอาอารมณ์ <c oughs> ไปหยิบเอาเยเอารูปเอานามขึ้นมานะ ใจมันจะมีความอยากนะมีความอยากมีตัณหาขึ้นมามีความอยากเกิดขึ้นถ้าตัณหามันรุนแรงก็เป็นอุปาทานอุปาทานเนี่ยไม่ใช่อยากอย่างเดียวแต่จิตกระโดดเข้าไปยึดด้วยยึดเอากายยึดเอาใจขึ้นมาเป็นของเรายึดเอากายยึดเอาใจขึ้นมาเป็นตัวเราพอมีตัวเรามีของเราเรื่อมีชาตินะมีชาติขึ้นมางั้นใจนี้แหละมีความอยากขึ้นมาก่อนนะแล้วมีความอยากมันรุนแรงมันก็จะออกไปยึดอารมณ์ นี่ท่านค่อยๆสาวมานะท่านดูท่านไม่ได้คิดเอาบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการคิดเอาท่านไม่ได้คิดออกท่านต้องมีสภาวะรองรับนะแล้วท่านตามเห็นสภาวะที่ปรากฏอยู่จริงๆอนะ่ไม่งั้นนั่งคิดเอาใครๆ ค, คิดเอาจะบรรลุเหรอไม่บรรลุดอกต้องเห็นของจริงนะสภาวะนะั้นมีแต่รูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งนั้นอนะ่ะนี่ท่านเห็นอีกความอยากมาจากอะไรความอยากมาจากมาจากเวทนา เมื่อไรมีความสุขเกิดขึ้นมันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมาเมื่อไรมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะงั้นความอยากนะเกิดมาจากความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์บางทีรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ผู้นี้จะหลงไปเลยนะเพลินๆไปดูไม่ออกนะว่าจะรอบหรือจะโกรธดีนะว่าจะอยากหรืออยากได้หรือจะอยากไม่ได้อยากให้มันไม่มีนะเฝ้ารู้ลงไปนะท่าน ค่อยๆสังเกตหาเหตุหาผลไปเรื่อยนะท่านก็พบว่าถ้ามันมีเวทนาขึ้นมานความอยากก็เกิดขึ้นนะมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้สุขอยู่นานๆมีความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้ทุกข์หายไปนะความอยากมันตามหลังเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มาเวทนามาจากไหนท่านดูต่อไปอีกนี่ท่านหาเหตุหาผลเก่งนะ กานค่อยๆดูถ้าไม่ได้นั่งคิดเอาเองเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เฉยๆนี่มาจากถัดสะการกระทบอารมณ์ถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาก็ไม่เกิดอย่างตาเรามองเห็นพอตาเรามองเห็นสาวสวยนะความสุขก็เกิดขึ้นใช่ไหตาไปมองเห็นศัตรูของเราเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้ น, น นั้นอาศัยตาหู Lead, จมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์ทางใจกระทบอารมณ์เช่นไปคิดนะคิดถึงคนซึ่งเราเคยเกลียดชังใช่ไหมโทรศัเกิดแล้วใจมีความทุกข์ขึ้นมานะคิดถึงคนที่เรารักใจก็มีความสุขขึ้นมาใช่ไหมอาศัยการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้น vacation, มาพอความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้ น, นมาแล้วความอยากก็เกิดตามมา พอความอยากเกิดตามมาแล้วความยึดถือในอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นพอความยึดถือเกิดขึ้นแล้วนะัมันจะไปหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาพอ <Worth S 2> ไปหยิบฉวยเอารูปธรรมมาเป็นตัวกูของกูหยิบฉวยนมามธรรมมาเป็นตัวกูของกูแล้วนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะตัวรูปตัวนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ทุกข์มันอยู่ของมันต่างหากอยู่ดีไม่ว่าดีไปหยิบมันขึ้นมานะ งั้นพอไปหยิบเวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาไปหยิบเวยเอารูปเอานามขึ้นมานะก็ทุกข์เลยการหยิบเวยรูปนามขึ้นมาได้นะดั่นแหละเรียกว่าชาตินะมีชาติก็มีทุกข์ทันทีเลยนี่ภาษามาจากไหนภาษาการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบได้เพราะเรามีตาใช่ไหมเรามองเห็นรูปได้เพราะมีตาเราได้ยินเสียงได้เพราะมีหูเราได้กลิ่นได้เพราะมีจมูกเรารู้รสได้เพราะมีลิ้นเรารู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งได้เพราะมี ประสาสัมผัสทางร่างกายเรารู้อารมณ์ทางใจได้เพราะเรามีจิตใจเ น, นี่ยมันอาศัยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละจึงเกิดมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อายตนะจึงเป็นปัจจัยของผัสสะจะมีผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดดุพ า, านธ์เกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์เป็นลําดับลําดับไปเ น, นี่ท่านค่อยๆดูมานะ สังเกตไหมดูมาตั้งนานไม่มีคนเห็นไมไม่มีคนเลยนะมีแต่รูปประมับนามธรรมดูให้ดีไม่มีคนเห็นนี่ปัญญาของท่านนะคมกริบเลยถ้าเป็นเราก็คือตาของเราหูของเราจมูกของเราเห็นจิตใจของเราที่ท่านเห็นตาก็คือตาหูก็คือหูเนี่ยจมูกก็คือจมูกไม่ใช่จมูกของเราไม่ใช่ตาของเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะ เนี่ยสติปัญญาของท่านแแหลมคมขนาดนี้นะอายตนะมาจากอะไรอายตนะมีพึ้นมาได้เพราะมีรูปธรรมกบนามธรรมาทำงานด้วยกันนะอย่างเรามีตาตาทำงานได้นะก็มีจักครูประสาท์ใช่จักครูประสาส์เป็นรูปธรรมใช่มมีจอรับภาพนะมีแก้วตาเลนมีอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่เป็นส่วนของรูปธรรมแล้วก็มีความรู้สึกทางตาเกิดขึ้น มีไหมที่มองอยู่แต่ไม่เห็นเคยมีไหมกําลังคิดอะไรเพลินๆใช่ไหมมองเงี้ยมองไปไม่รู้ว่ามองอะไรนะเพราะอะไรเพราะไม่เกิดนามมาทําทางตามันไปเกิดนามมาทําทางใจไปคิดเรื่องอื่นก่อนนะเพราะฉะั้นการที่ตาทํางานได้นะอาศัยรูปธรรมและนามมาทำมาทํางานด้วยกันนะเนี่ยท่านท่านค่อยๆสาวสาวเข้ามานะสุดท้ายท่านก็ทะลุลงไปถึงอวิชชาได้ตัวนี้หลวงพ่อไม่ได้อธิบายละเอียดละอธิบาย โดยภาษามนุษย์ได้ฟังยากแล้วนะท่อนปฏิจจสวุวาตท่อนแรกๆนี้ท่านทะลุลงไปถึงอวิชชาอาวิชชาคือการที่ไม่รู้ความจริงอ่ะไม่รู้ความจริงของตัวทุก์ตัวทุกก็คือรูปธรรมนามธรรมาถ้ารู้ความจริงของตัวทุกนะจะรู้ความจริงว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมาล้วนๆเลย แต่เพราะความไม่รู้ความจริงนี่แหละก็เลยไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาเป็นตัวเราของเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเนะนี่ยท่านหัดดูลงไปนะจนท่านทำลายอาวิชชาได้ทำลายความเห็นผิดในตัวทุกข์ในกองทุกข์ก็คือในกองของขันห้าในตัวรูปธรรมนามธรรมไดนะ้ไม่ยากนะที่เราจะค่อยๆกลับภาวนาจนกระทั่งมันทวนเข้าไปเห็นตรงนี้แต่ต้องอดทนนะทน คอยรู้รูปธรรมคอยรู้นามธรรมที่กําลังปรากฏปฏิจจสมุปบาทสิบสองขั้นตอนนั้นนะถ้าพูดจริงๆก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งนั้นแหละไม่มีอย่างอื่นหรอกวนเวียนอยู่ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นถ้าเราอยากรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทอยากรู้แจ้งอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสสรวงนะเราก็คอยรู้อยู่ที่รูปธรรมนามธรรมในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็รู้จริงแนละ้ว่าในความเป็นจริงไม่มีอะไรนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปถ้าไม่ยึดไม่ถือก็ไม่มีอะไรเลยถ้าหลงไปยึดไปถืออยู่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะเกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเนีเราเกิดเองก็ทุกข์คนอื่นเกิดก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์หลับไปนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนี่ปัญญาตรัสรู้เกิดขึ้นตรงนี้เพาท่านตรัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ออกมาสอนนะ ออกมาสอนธรรมะพวกเราให้พวกเราอยากรู้ตามท่านเราก็ต้องดูตามท่านท่านดูรูปธรรมนามธรรมเราก็ดูรูปธรรมนามธรรมของตัวเองไม่ต้องไปดูของคนอื่นถ้าไปดูรูปธรรมนามธรรมของคนอื่นนะมักจะเกิดกิเลสนะดูรูปธรรมนามธรรมของตัวเองเนี่ยมักจะลดละกิเลสได้ค่อยๆสังเกตลงไปการรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากมันยากเฉพาะคนที่ไม่ดู เราละเลยที่จะดูเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะดูเราคอยรู้คอยดูไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้กายของตัวเองรู้จิตใจของตัวเองทุกคนรู้กายรู้ใจของตัวเองได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้มันมีแค่นั้นเองเราชอบใจลอยนึกออกไหมเราชอบใจลอยเราชอบคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นเราชอบคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเห็นไหมอดีตไม่มีรูปธรรมนามธรรมในขณะนี้เห็นไม อนาคตรูปธรรมนามะธรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นอดีตนั้นรูปธรรมนามธรรมที่เคยมีอยู่ก็ดับไปหมดแล้วเห็นไ้มเราชอบคิดไปอดีตชอบคิดไปอนาคตเราทิ้งรูปธระมนามธรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันไปหรือสนใจรูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันก็ผ่าไปสนใจรูปธรรทามนามธรรมของคนอื่นเห็นไหมเช่นอยากรู้ใจคนอื่นแต่และคนแปลกนะอยากรู้ใจของคนอื่นเราสนใจนะที่จะ อยากมีคนรู้ใจเห็นไหมเราอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแล้วเราก็อยากรู้ใจคนอื่นนึกออกไหมเราไม่อยากรู้ใจตัวเองยกเว้นเราอยากมีคนรู้ใจแต่ตัวเองใจตัวเองไม่รู้หรอกเนี่ยเราไปหวังอะไรที่ไร้าสาระมากเลยลองหัดมารู้ใจตัวเองนะทาตัวเป็นคนรู้ใจตัวเองสะบ้างแล้วจะพบว่าไม่ยากหรอกที่จะรู้ใจตัวเอง ร่างกายของเราก็ค่อยรู้สึกสิมันมีอยู่แล้วคอยรู้สึกมันเรื่อยๆมันยืนอยู่ก็รู้มันเดินอยู่มันนั่งอยู่มันนอนอยู่มันหายใจเข้ามันหายใจออกก็ค่อยรู้ไปมันจะยากอะไรเราสนใจที่จะรู้กายคนอื่นเห็นไหมถึงปีนะสมัยก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชนะถึงปีแต่ก่อนแล้วเขาต้องหาปฏิทินแม่โขงกันนะเนี่ยมันอยากดูกายคนอื่นเห็นไหมมันไม่ดูกายตัวเองนะเนี่ยดูหัวเราะกันเป็นแถวๆเลยเขายังทําอยู่ไหม เลิกแล้วใช่ไหมสาธุควรจะมีรูปพระพุทธรูปแทนนะถ้าแม่ผงพิมพ์รูปพระพุทธรูปของพีลึกนาะแล้วก็เสพเสพสุราผิดศีลห้าเนี่ยนั่นพิมพ์ไปเลยนะคงไม่ทําอนะ่ะเนาะไม่ทํา <c oughs> เราสนใจนะที่จะดูกายคนอื่นสนใจที่จะรู้ใจคนอื่นสนใจที่จะให้คนอื่นเขาสนใจตัวเรานะสนใจที่จะให้คนอื่นมารู้ใจตัวเรา เรื่องไรสาระทั้งหมดเลยของที่เป็นสาระแก่นสารกับชีวิตแท้ๆนะเราไม่เอาลองกลับมารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจสนใจในร่างกายตนเองสนใจในจิตใจของตนเองคอยดูว่าขณะนี้ร่างกายเป็นอย่างไรคอยดูว่าขณะนี้จิตใจเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้นะอย่างร่างกายเป็นอย่างไรในขณะนี้ร่างกายนั่งนะร่างกายนั่งอยู่รู้สึกลงมาร่างกายมันนั่ง แต่ไม่ใช่นั่งเพ่งมัอนนะไม่ใช่ไปรู้สึกใจแข็งแข็งเครียดเครียดจ้องไม่ให้กระพริบตาไม่ใช่แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแล้วมันอยู่ในอิริยาบถอะไรก็แค่รู้สึกไปไม่ต้องเอาตาไปดูรู้ด้วยใจนะรู้ด้วยใจเราหลับตาอยู่แล้วยกมือเราก็รู้สึกใช่ไหมเราก็รู้สึกรู้สึกถึงมันไหมนะรู้สึกถึงร่างกายไหม เรารู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆใจเราเป็นแค่คนรู้สึกนะเราจะพบว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะเป็นคนละส่วนกันพวกเราลองทําใจให้สบายนะทําใจให้สบายหลับตาสักหน่อยก็ได้เพื่อความเท่ดูเป็นนักปฏิบัตินะนะจะหลับตาสักหน่อยก็ได้นะลืมตาแล้วหน้าทะลึ่งไปหนะลับตานะแล้วลองเคลื่อนขยับมือดูนะ อย่าไปเตียหัวชาวบ้านนะขยับ ใ, ใกล้ๆของตัวเองลองขยับขยับมือดูก็ได้นะจะยกแขนยกอะไรเบาๆก็ไดนะ้รู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไ้มเห็นไหมใจเราเป็นคนไปรู้มันเห็นไหมเราไม่ได้เอาตาไปดูมันแต่ใจเราเป็นคนรู้บางคนนั่งขยักหน้างอกๆๆนะเห็นไหมร่างกายพยักหน้าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าหัดอย่างนี้นะลองดูไม่นานเลยเราจะพบว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกัน ไม่คนละส่วนกันพอคนละส่วนกันแล้วก็ร่างกายยืนอยู่เราก็รู้ชัดเลยว่าร่างกายมันยืนอยู่ไม่ใช่เรายืนอีกต่อไปแล้วรูปประธรรมมันยืนอยู่นามธรรมมันเป็นคนดูรูปประธรรมคือร่างกายมันนั่งอยู่นามธรรมคือใจมันเป็นคนไปดูงั้นรูปรธรรมกับนามธรรมนี้เป็นคนละอันกันลองดูนะลองกลับบ้านดูคนไหนที่ยังแยกรูปนามไม่ได้ลองทาอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้นะ ลองทำดูนั่งหลับตาให้สบายนะอยากเคร่งเครียดนะแล้วก็ขยับตัวไปขยับไปขยับไปนะแล้วก็แค่รู้สึกนะแค่รู้สึกถึงว่าร่างกายมันขยับขยับรู้สึกไปเรื่อยๆนะจะเห็นเลยใจเรารู้มันนะเราไม่ได้รู้ด้วยตาเราไม่ได้รู้ด้วยมันขยับเพ้าใจเราไปรู้มันเนี่ยร่างกายกับจิตใจคนละอันกันพอเราแยกได้นะรูปธรรมนามธรรมคนละอันกันแล้วต่อไปเราฝึกต่อไปอีกนั่งให้นานขึ้นหน่อย พอนั่งนานขึ้นไปมันเจ็บมันปวดขึ้นมานะอดทนนิดนึงนะลองดูให้มันเจ็บมันปวดขึ้นมาบ้างแล้วก็ดูลงไปความเจ็บปวดเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายหรอกนะร่างกายมันตั้งอยู่ก่อนแล้วความเจ็บปวดมันมาทีหลังเราจะเห็นได้ความเจ็บปวดที่เข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าด้วยซ้ําไปนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนะค่อยฝึกต่อไปอีก พอมันปวดมากๆอย่าเพิ่งขยับนะปวด right. มากๆแล้วก็อยากขยับอยากเปลี่ยนอิริยาบถอย่าเพิ่งเปลี่ยนให้รู้ทันใจที่อยากเปลี่ยนอิริยาบถก่อนความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเกิดขึ้นทีน่ใจเห็นไหมเกิดขึน้นที่จิตใจอย่างความเจ็บปวดเกิดที่ขานะความอยากเปลี่ยนอิริยาบถมาเกิดที่ใจเพราะฉะนั้นความอยากเปลี่ยนอิริยาบถกับความเจ็บปวดเนี่ยคนละอันกันแล้วความความอยากเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ใช่ขาด้วยเห็นไหม และเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าด้วยนะพวะเราค่อยฝึกแบบนี้นะในที่สุดเราก็จะเห็นเลยความอยากที่เกิดขึ้นนะก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งนะไม่ใช่รูปขันไม่ใช่เวทนาขันไม่ใช่วิญญาณขันคือไม่ใช่จิตนะเป็นขันอีกตหางหารพอเราหัดแยกขันได้แล้วเนี่ยนะเราค่อยรู้ค่อยดูไปบางครั้งสติมันไปเห็นร่างกายมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เวลาสติ ate, ระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นในกายหรือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยที่เกิดขึ้นในใจก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉยเนี่ยไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกขันหนึ่งเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูไปเรื่อยนะใหม่ๆอาจจะต้องช่วยมันคิดนะว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา แต่บางคนไม่ต้องช่วยคิดเลยบางคนที่เคยอบรมอินทรีย์แก่กล้าเคยฝึกเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนนะแค่จิตสงบจิตตั้งมั่นก็เห็นขันแยกออกไปแล้วขันแต่และขันไม่ใช่ตัวเราลนะนี่เราค่อยฝึกของเราไปเรื่อยความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นที่ใจก็คอยรู้ทันก็จะเห็นเลยความโลภไม่ใช่คนไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่สัตว์ด้วยความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราด้ว ย, ย, ว ย, ว น, ย, วยนะ ใจฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในขันห้านี้แหละขันห้าจะแสดงสิ่งเดียวกันคือแสดงไตรลักษณนะ์ขันห้าทั้งหมดเลยล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะไตรลักษณ์เนี่ยแปลว่าลักษณะสมอย่างถ้าชื่อที่ถูกต้องนะจะเรียกว่าสามัญลักษณะ คือลักษณะร่วมลักษณะทั่วๆวไปของสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนะมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะอย่างความโกรธมีลักษณะเฉพาะของความโกรธไม่เหมือนความโลภไม่เหมือนความสุขนะแต่ตัวที่เราต้องการให้เห็นนะนะก็คือให้เห็นสามั ญ, ญลักษณะเพราะฉนั้นการที่เราดูกายเราจะเห็นอะไรถ้าดูกายเป็นนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตเป็นแค่คนดูอยู่เราจะเห็นสามั ญ, ญลักษณะของกายคือเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่คน tz. ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา allora เวลาที่เราดูลงไปในเวทนาเราก็จะเห็นสามัญลักษณะของเวทนาเวทนาไม่ใช่คน eddar, ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกนะเวลาเราดูลงไปในความปลุงดีปลุงชั่วเราก็จะเห็นสังขารที่ดีที่ชั่วที่ไม่ดีไม่ชั่วทั้งหลายนะเป็นแค่สภาวะหนึ่งนะแสดงสามัญลักษณะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรเห็นไตรลักษ ใจรักคือเห็นที่จริงเห็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหัดรู้กายหัดรู้เวทนาหัดรู้จิตเนี่ยเราไม่ใช่รู้เพื่อจะรู้กายเราไม่ใช่รู้เพื่อรู้เวทนาเราไม่ใช่รู้เพื่อจะรู้จิตแต่เราต้องการเห็นลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างว่าล้วนแต่เป็นใจรักษณ์ทั้งสิ้นนะผู้ใดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นไตรักษณเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนตัวนี้ถึงจะได้ธรรมะ เพราะฉะนั้นในขั้นของการเดินปัญญาวิปัสสนาอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนอย่านั่งทะเลาะ ก, กันนะเมื่อไรที่สติตัวจริงเกิดขึ้นสมาธิตัวจริงเกิดขึ้นคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดได้แล้วสติระลึกรู้อะไรลงไปนะจะเห็นสิ่งนั้นแสดงใจลักษณ์ทันทีเลยเพราะฉั้นเราไม่ได้นั่งเถียงสายกายดีหรือสายจิตดีหรือสายเวทนาดีนะ สายกายไม่ค่อยมีรู้สึกไหมไม่มีคนชื่อสายกายไม่มีคนชื่อสายเวทนาแต่คนชื่อสายจิตเนี่มีนะไอ้ น, นั้นพูดเล่นดอกนะแกล้งง่วงนะแต่จริงๆก็คือไม่มีสายหรอกนะสติะระลึกรู้อะไรก็จะเห็นสิ่งนั้นแสดงใจลักษณ์ดูอย่างนี้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะสรุปขึ้นมาได้ว่าสิ่งใดใสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดนั่นแหละมีความดับเป็นธรรมดานี่คือการเห็นสามัญลักษณะ เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับทั้งสิ้นคือเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับคือเห็นอนิจจังเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะม่เกิดแล้วมันดับแสดงว่ามันทนอยู่ไม่ได้จริงมันเป็นทุกขังสิ่งทั้งหลายจะเกิดต้องมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆถ้าเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันก็ไม่ได้นี่คืออนัตตานะเห็นอย่างนี้นะจะเข้าใจความจริงแล้วในความเป็นจริงก็คือ ไม่มีตัวเราในขันห้านี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือขันห้านี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาที่ไหนเลยเห็นอย่างนี้จะได้พระโสดาบันนะจะเป็นพระโสดาบันงั้นหัดรู้ไปนะบางคนดูแต่กายอย่างเดียวนะเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ไม่เป็นพระโสดาบันหรอกนะงั้นต้องเห็นขันห้าทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วก็ไม่เห็นตัวตนนอกเหนือขันห้าด้วย นั่นแนะถึงจะเป็นพระโสดาบันนะเพราะงั้นพวกเราหัดนะค่อยๆหัดไม่ยากเท่าไหร่หัดรู้รูปธรรมหัดรู้นา ม, มาทำไปพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาทางนี้เราก็เดินตามท่านไปนะใครก็เดินทางไหนก็เรื่องของเขานะอาจจะมีทางพิเศษทิสดานแต่หลวงพ่อไม่รู้หรอกถ้าอยากเรียนพิเศษทิสดานไปหาเรียนที่อื่นเรารู้แค่นี้แหละนะก็รู้เท่าที่เรียนมาเพราะงั้นหัดรู้สึกตัวไม่ยากที่คนเราจะรู้สึกกายรู้สึกใจของตัวเอง มันละเลยที่จะรู้เท่านั้นแหละนั้นะคอยสนใจนะคอยดูความจริงของกายกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไตรลักษณ์จิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไตรลักษณนะ์ดูลงไปเรื่อยในที่สุดก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ได้เกิดลอยลยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะั้นอย่างที่พระอัศจริสอนพระสารีบุตรนะแต่จริงไม่ได้สอนพระสารีบุตร ตอนนั้นยังไม่มีภาษาริบุตรสอนอุปติสสะพระอัศเชีสารอุปติสสะนะว่าเยธรมมาเหตุต at ja, ah ุปภาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจเโยนิโรโทจะเอวังวาตีมหาสมโนติเนอมีบาลีนิดหน่อยนะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวสอนอย่างนี้นีสารว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุใช่ไหม ้สอนถึงว่าเหตุมันก็ต้องดับนะแล้วตัวมันก็ดับตามเหตุไปด้วยอุปติสสาฟังตรงนี้ได้เป็นพระโสดาบันเลยรู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสิ่งใดที่เป็นอมตะนะไม่มีสิ่งใดที่เป็นอมตะเลยในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลนั้น กาเห็นอย่างนี้นะท่านได้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วท่านเอาไปบอกโกลิตตะเพื่อนท่านโกลิตะก็ได้เป็นพระโสดาบันสององค์นี้ก็มาเป็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนะงั้นพวกเราก็เดินตามท่านนะคอยดูลงไปในกายดูลงไปในใจรู้สึกบ่อยๆแต่ว่าฝากไว้สองข้อข้อที่หนึ่งต้องถือศีลห้าคนไม่ถือศีลห้าไปไม่รอดหรอกนะไปไม่รอดจริงหรอกนี้บางคนบอกว่าลำบาก อาชีพต้องเลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาขายนะจะทํายังไงถือศีลห้าไม่ได้ถือได้แต่ถือเป็นวันวันวันไหนไม่ได้ฆ่าปลาถือศีลห้าไว้นะวันที่ฆ่าปลาบาปไหมบาปนะแต่วันที่ไม่ได้ฆ่าปลาได้บุญนะเเอนี่ยหัดถือเป็นคราวๆไปนะแบ่งชีวิตเป็นส่วนๆ ส, ส่วนที่ยังผิดยังทําบาปอยู่นะมีทางแก้ไขก็แก้ไขไปนะ แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนทำบาป24บชั่วโมงนะในขณะจิตซึ่งจะเดินสติเดินปัญญาในขณะจิตนั้นไม่ได้ทำบาปนะอย่างพวกเราทำบาปแต่ละคนมันก็ทำกันทุกคนเลยนะทาผิดศีลผิดธรรมก็เคยทำต้องประมาทพลาดพลั้งบ้างใชนะ่เราก็ทำผิดมาก็คงไม่เท่าพระองคุลีมานใช่ใครทำผิดมามากเท่าพระองคุลีมามีไหมหลงพ่อจะได้ออกห่าง เดี๋ยวมันจะเอาเราเป็นคนที่พันไม่ใช่อะไรแต่ในขณะที่ท่านฟังธรรมใช่ไหมท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ทําผิดไม่ได้ฆ่าใครในขณะนะั้นแต่เสร็จแล้วผลของการที่ท่านฆ่าคนก็มาเบียดเบียนท่านนะมีวิบากหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นเป็นพระอรหันต์หนีวิบากไม่พ้นหรอกนะจนกว่าจะนิพพานไปนสะกนถึงจะเจ้ากันไปนะเพราะงั้นเราต้องรักษาศีล น, นะถือศีลจะถือด้วยความเฉลียวฉลาดแต่ไม่ใช่เจ้าเล่ เดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่าถือศีลแลเป็นขณะขณะได้ก็เจ้าเล่นะไปเป็นชู้กับเขาแล้วขณะนี้ไม่ได้เป็นชู้อะไรเงี้ยนะเจ้าเล่เกินไปนะอย่างนั้นนะงั้นถือศีลไว้นะพอถือศีลแล้วสิ่งที่จะช่วยพวกเราให้บรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ได้อีกอย่างหนึ่งนะคือการมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องทำในรูปแบบทุกวันไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้านะ คิดถึงบุญคุณของท่านคิดถึงความดีงามของท่านนะคิดถึงพระธรรมที่ท่านสอนคิดถึงพระสงฆ์นะคูบาจารย์ที่ภาวนาดีๆนะเราพูดยากว่าองค์ไหนภาวนาดีภาวนาไม่ดีนะเราคิดถึงพระพุทธพระธรรมไว้ก่อนก็ได้นะจนกว่าวันนึงใจเราเป็นพระสงฆ์แท้แล้วเราถึงจะรู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์แทนะ้พระสงฆ์แท้ก็มีนะพระสงฆ์เทียมก็มีนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีนะสุปฏิปันโนก็มีนะทุปฏิปันโนก็มี นะบางทีสายตามนุษย์ดูไม่ออกหรอกสายตาของเทวดาของพลมของอะไรนี้ถึงจะดูออกนะ ห, รอหรือสายตาของคนที่ภาวนาเป็ ใ, ใจเราเป็นพระขึ้นมาแล้วเนะ่ยเราถึงจะดูออกนะงั้นตอนนี้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ปลอดภัยที่สุดไปนะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะวันๆหนึงคิดบ่อยๆจิตใจเค้าเคลียอยู่กับพระพุทธเจ้าท่านมีแต่คุณงามความดีท่านไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะ ความดีของท่านเที่ยงแท้แน่นอนคิดถึงเรื่อยๆใจมีความสุขอย่างเวลากราบพระทําใจเหมือนเรากราบลงแทบประบาทของพระพุทธเจ้าว่าท่านยืนอยู่ข้างหน้าเรากําลังกราบเท้าท่านนะจิตใจก็เกิดปีติเกิดความสุขนะั้นได้สมาธิขึ้นมาแล้วนี่สมาธิแบบยากจนของคนเมืองนะไม่ถึงกับเข้าฌานหรอกคิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆไว้นะจิตใจก็สุขก็สงบได้เหมือนกันนะวันๆก็พุโทโธพุโทโธอย่าพุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทอง พุโทโธเรานึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะหรือพุทธอย่างน้อยพุโทโธเรารู้ทันใจของตัวเองบ้างกิเลสเกิดขึ้นมาอายพระพุทธเจ้ากําลังท่องพุโทโธอยู่แล้วกิเลสมานะให้รู้ทันอย่าให้กิเลสเอาไปกินซะให้คอยรู้ทันในทุกวันนะหัดทาในรูปแบบอย่างน้อยๆทําอย่างนี้ก็ยังดีนะทําได้มากกว่านี้นั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยความมีสตินั่งสมาธิไปก็มีสติเดินจงกรมก็มีสตินะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็มีสติ คอยรู้ไปเรื่อยนะฝึกไปมากๆทํทำในรูปแบบมากๆนะทุกวันทุกวันแต่ทำแบบไม่เคร่งเครียดถ้าทำแบบเคร่งเครียดนะบางคนตั้งใจทำมาหลายหลายชั่วโมงแล้วเครียดไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ทำพอดีพอดีให้จิตใจมีความสุขสงบเวลาที่เหลือมาเจริญสติในชีวิตประจำวันดูรูปธรรมาทางานดูนามาทำทางานนะดูไปเรื่อยๆวันนี้เ ท, เท่านี้พอมั้งนะ พอไม่พอก็ควรจะพอเลยนะมากกว่านี้ก็อเอาไปทํานะไทําเอาหัดรู้สึกตัวรักษาศีลไว้ทําในรูปแบบนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจบ่อยๆเ อ, อนมัสการพระอาจารย์ครับไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณเกือบปีฮะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์แนะนําให้ ไปปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มเติมผมก็ปฏิบัติในรูปแบบก็คือสวดมนต์ธรรมวันเช้าเย็นแล้วก็ทําสมาธิสภาวะที่เกิดปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันเฉยเฉยมันปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมก็ไม่เหมือนครับถ้าเหมือนตอนนี้เฉยแน่เลยครับเพราะเราไปเพ่งไว<ะ>้อาจจะตื่นเต้นนะครับะนะถ้ารู้อยู่ว่าตอนนี้ไปแทรกแซงอยู่เพ่งอยู่ก็ใช้ได้ จิตขณะนี้ตั้งมั่นไหมยังไม่ตั้งมั่นครับถ้ารู้ว่าไม่ตั้งมั่นก็ใช้ได้ไม่ดึงนะแล้วไงอีกครับทีนี้เนี่ยต้องมีอะไรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้พระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับตัวที่ต้องระวังนะั้นก็คือใจเรามีความตั้งมั่นจริงไหมนะค่อยสังเกตเอาใจบางคนสงบนะแต่ไม่เข้าฐานมันหน่อมจะออกข้างนอกระวังตัวนี้นะ แล้วก็เวลาอยู่ในฐานก็ระวังว่าจะไปบังคับให้มันอยู่อย่าไปบังคับให้มันอยู่ในฐานนะแค่รู้ว่ามันไหลออกไปแค่รู้ว่ามันส่งออกนอกนะมันจะกลับบ้านเองนะเนี่ยตอนนี้จิตไหลไปแล้วทราบไหมทราบเออนะทราบเนี่นะเห็นไหมพอทราบแล้วมันเบิกบานขึ้นม า, า <S <S เห็นไหมมั น, น, น, มนมสว่างอ่นะจิมจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างมันตื่นแล้วนะเนี่ยใจหลงไปอีกแล้วทราบไหมทราบครับนะหัดอย่างนี้นะไปดูบ่อยๆขอบพระคุณครับอ่าต่อไป กราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะขอส่งกันบ้านได้ส่งตั้งนานแล้วคะ่ะคือตอนที่กําลังพยายามรักษาศีลนะคะเพราะว่าตัวเองมีพื้นฐานเป็นคนที่มีโทสะอะคะ่ะก็เลยใช้โทสะในการดูสภาวะธรรมอะคะ่ะคือบางวันก็จะเห็นโทสะของตัวเองตัวใหญ่มากบางครั้งก็เห็นโผล่มาพอพอเริ่มเห็นโผล่มาเราตามเรารู้ทันมันก็ดับไปอะคะ่ะ แล้วก็คือรู้แต่ว่าเวลาเราดูตามดูสภาวะธรรมอะไรเมื่อเราอินเข้าไปกับมันเราก็จะมีความทุกข์กับค่ะแต่ถ้าเมื่ อ, อไรเราไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยไ ป, ไปไปมันก็จิตมันก็จะปล่อยวางแล้วก็มีความสุขอะค่ะอะไร<ห>ก็เรื่องธรรมดานะคะแต่จิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์สิเทศตะกี้นี้แหละก็เรื่องนี้แหละ แล้วก็บางครั้งมันก็จิตอยากก็อยากเองจิตยึดก็ยึดเองนะจิตจะมีสติแล้วก็สั่งไม่ได้ใชความทุกข์จิตเขาไปหยิบขึ้นมาเองดูลงไปดูลงไปไม่มีอะไรที่บังคับได้หรอกขอคาแนะนำจากพระอาจารย์นี่แแล้วนะไปดูลงไปทั้งหมดไม่มีเราเห็นแต่สภาวะนะสภาวะไปด้วยขอบคุณค่ะ ค่ะหนูต้องลบกวนและขออภัยหลวงพ่อด้วยเพราะว่าหนู list คำถามไว้สิบามข้อแล้วก็ขอโทษญาติทํามทางนี้ด้วยนะคะญาติทํากี่ข้อนะสิบสามข้อสิบสามเคงไม่ยอมหรอมัง้งรีถามเลยนะคะคือคุณแม่หนูมีสุขภาพจิตอามีปัญหาทางสุขภาพจิตหนูอยากจะช่วยคุณแม่ให้มีธรรมะหนูจะทํายังไงอะคะรู้เรื่องไหมก็หนูก็ให้คุณแม่ท่องนะโมทศแม่ก็ท่องเหมือน no นกย่านกขุนทองอะคะ่ะสมองเสื่อมหรือไม่เสื่อมค่ะยังรู้เรื่องอยู่รู้เรื่องค่ะรู้เรื่องนะอารมณ์ร้ายไหม ก็ <mister> แพ้ก็ทานยาอยู่อะค่ะเอาซีดีไปให้ฟังบ้างนะโอ้ my god ไม ah. <n> ่ไ <iverse> ด้เอาเลยเหรอคงไม่ร <su cha> <sk Lane sounds> ับ <Austria> รู้อ่ะค่ะโอ้ your god คือถ้าอย่างนั้นนะหาอารมณ์ที่เป็นกุศลน่ะให้อยู่นะหากุศลยังไงดีอ่ะคะคุยในเรื่องที่ดีที่งามอะไรเงยเคาเคยทําคุณงามความดีอะไรมาแม่หนูเขาโชคร้ายอะค่ะเคา ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนมีสุขภาพจิตที่เสียค่ะ อ, อต่หนูก็พยายามเวลาโทรไปหาแม่ก็บอกแม่ท่องน้ำมอดศรัทธาแม่ก็น้ำมอดศรัทธาเร็วๆสามจบหนูก็คิดว่าอย่างน้อยก็ได้บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะออได้อย่างนั้นก็ยังดีนะแต่หนูจะช่วยแม่ได้มากกว่านี้ได้ไหมคะทําใจของหนูไว้แล้วพ่อหนูหนูจะช่วยยังไงดีคะพ่อหนูพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อไม่รู้เรื่องอะคะไม่เป็นไรคือไม่ใช่ทุกคนต้องฟังรู้เรื่องนะขอให้เป็นคนดีก็พอแล้ว แล้วก็ธรรมะอะไรที่ช่วยทําให้คนอายุยืนนะคะหนูอยากให้พ่อแม่อายุยืนนะคะเหรอไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์นะคะแล้วก็เมื่อคืนว่าเช้าหนูฟังซีดีหลวงพ่อหนูสงสัยตรงคําว่าดูสภาวะกับดูอาการจิตอาการอของจิตก็เป็นสภาวะธรรมคือหมายถึงดูสภาว ะ, วะว่าตอนนี้ร่างกายยืนแล้วจิตตอนนี้จิตดีใจหรือเสียใจที่ร่างกายยืนอย่างนี้หรือเปล่าคะออดูไปสเต็ปแบบนี้ใช่ไหมคะใช่<ะ>ใชแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบบอกต่อธรรมะให้คนอื่นมากจนหนูแบบ ทําให้ตัวเองทุกข์อะค่ะว่าทํางถึนจะบอกให้ทุกคนได้รู้เหมือนกันหมดแบบอยากไม่ได้ให้รู้ทันใจที่อยากหลวงพ่อบอกว่าคนที่ดูคิดมากให้ดูจิตแต่หนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกให้หนูดูกายหนูก็เลยงงว่าหนูจะดูกายหรือดูจิตห น, หนูฟุงมากนะดูกายบ่อยๆแต จ, จะได้มีแรงแล้วก็ค่อยมาดูจิตใช่ไหมคะ่ะค่อยมาดูจิตหนูชอบคนหล่อหนูเพ่งอสุภาระก็ยังแก้ไม่หายต้องทํำยังไงคะอะไรนะ หนูชอบคนรอหนูเพ่งอสุภะแล้วหนูก็ยังแก้ไม่หายอาการเนี้ยคะ่ะให้รู้ทันใจไหมให้รู้ทันใจแล้วก็หนูชอบท่องคาถาเงินล้านเพราะหนูคิดว่ามันมีอ น, นิสงส์ในการแบบบางทีหนูไม่รู้ลูกประทานไปหรือเปล่าคือเวลาเงินหนูจะหมดมันจะมีทางให้มีเงินขึ้นมาได้ะคะ่ะเออถือแล้วสบายใจก็ถือไปแล้วก็ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่มีคนศัสต ร, ร์สินของก็ในเมื่อหนูมองไปหนูก็เห็นหมาหนูก็เห็นยีราฟคอยยาวๆหนูก็เห็นควายมันก็มันหนูยังหลงอยู่ในโลกของความคิด มันก็ยังเรียกว่าอั ม, มาชาลาพายัางเรียกว่าไอ้ตูบยังเ ร, เรียกว่าพยายามรู้สึกตัวนะพระใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันจะไม่มีคนหรอกถ้าใจยังหลงอยู่ในโลกของความคิดมันจะมีคนแล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบคิดอักกุศลนะคะคิดล่วงเกิ น, นพอหนรูรู้ทันแล้วหนูก็ตามตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้เป็นกลางแต่หนูรู้สึกว่าถ้านหนูไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่หนูคิดเนี่ยหนูเป็นคนเรวมากหนูก็เลยทำใจเป็นกลางไม่ลงอะคะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเนี่ย ให้ดูเท่านั้นใช่ไหมไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องรู้สึกผิดบ้างนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะขออีกนิดหนึ่งค่ะอีกนิดหนึ่งอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโอเคแล้วก็วิหารธรรมที่หนูควรจะทาอะค่ะเป็นเครื่องอยู่ของใจหนูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยๆ่อร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกบ่อยหนูพอจะตื่นบ้างหรือยังคะยังหนูว่าเมื่อคืนหนูตื่นแล้วนะคะ หนูมีกันบ้านอะไรไหมคะัรู้สึกกายบ่อยบ่อยรู้สึกกายบ่อยโอเคค่ะกราบนมัทการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาใหม่นะครับจะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อครับปกติก็เคยดูเรื่องลมหายใจมาบ้างนะครับแล้วทำไมล่ะจะขอวิหารธรรมในการปฏิบัติครับวิหารธรรมน่ะอยู่กับตัวเราแล้วนะดูกายดูใจไปครับอันไหนดูแล้วสติเกิดออนั้นแหละครับนะครับกรบกับพระคุณหลวงพ่อครับ กับน้สัส ก, การหลวงพ่อครับปกติฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ลองปฏิบัติดูจิต ด, ดูส่วนใหญ่จะเห็นตอนที่ขับรถก็คือถ้าโกรธเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเพ่งเพ่งไปที่รถที่เราโกรธก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโกรธเนี่ยบางทีมือกระดิกแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่มือกระดิกจะไปบีบแต่เนี่ยเรารู้ทันว่าโกรธแล้วก็มือก็หยุดทันแล้วก็บางทีเนี่ยเห็นความอยากเป็น เป็นช่วงๆหมายถึงว่าถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยพอเราเห็นความอยากปึ๊บมันเหมือนความอยากมันขาดแล้วก็อยากใหม่แล้วก็ขาดแล้วก็อยากใหม่ครับนะถูกต้องแล้วครั บ, รบเห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับต้องการให้เห็นในนั้นครับอขอคําแนะนำหลวงพ่อด้วยครับดูบ่อยๆนะมีแต่ทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปยังใจจะโกรธเนี่ยห้ามไม่ได้ด่วนไม่ห้ามไม่ได้นะใจจะอยากก็ห้ามไม่ได้ ความโกรธมาก็อยู่ชั่วคราวความอยากมาก็อยู่ชั่วคราวทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวหมดเลยไปดูเรื่อยๆจะเห็นว่าทุกอย่างเปนชั่วคราวป้าพิมครับกราวถวาสกา ร, าการเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมฟังซีดีมาประมาณ3าปีตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็โยมยังไม่เคยส่งการบ้านเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตส่งการบ้านกับหลวงพ่อเจ้าค่ะ ครั้งแรกเลยโยมฟังซีดีแล้วโยมก็อ่านหนังสืออริยสัจเจ้าค่ะมีวันหนึ่งโยมนอนลงไปบนที่นอนนะคะพอโยมคว่ำตัวนอนลงไปโยมรู้สึกว่ามันมันมีอะไรไม่รู้เป็น3อันนะเจ้าค่ะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเปลือกถ้าเปียกแบบนาฬิกาก็คงจะเป็นเคสของมันแล้วก็มีอะไรอีกอันที่มันเดินเหมือนกับลาจนเจ้าค่ะมันก็เดินติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็โยมเป็นคนที่อยู่ข้างบนสุดแล้วเห็นมันอ่านั่นแหละถูกแล้ว แล้วก็สภาวะ ต, วต่อมาตัวลมันก็คือตัวรูปนั่นเองเราเห็นร่างกายเป็นโพรงนะเป็นเปลือกใช่มั้มข้างในมีการปรุงแต่งทำงานอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูน<ช>ดีแล้วเห็นสภาวะต่อมาเจ้าคะโยงฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าอาบน้าแล้วคอยรู้สึกว่าเราอาบน้าจะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เรา โยมทาอยู่เกือบสองปีก็ไม่เห็นเจ้าค่ะเพราะโยมอาบน้ําทีไรมีแต่ความอยากอยากตลอดเลยค่ะให้ไปดูใจที่อยากหลังจากนั้นพอมันอยากนานๆในที่สุดความอยากมันดับไปเพราะว่าโยมคิดว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วก็ช่างมันก็มันพอความอยากมันดับไปโยมเห็นมือข้างขวามันถูสบู่เองแต่โยมไม่ได้รู้สึกมันไม่ใช่โยมโยมรู้สึกว่ามันทํางานได้เองแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารังเกียจอยู่ไม่เห็นนะแล้วก็สภาวะต่อมาเจ้าค่ะ หลังๆนโยมเริ่มเห็นว่าโยมเป็นผู้กำกับเวลาที่ฝันนะเจ้าค่ะโยมก็กำกับว่าเออพูดอย่างนี้สิไอตัวนั้นทำแบบนี้สิตัวนี้เป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาฝันเนาะเวลาฝันเนาะมันมันเหมือนกับว่าตอนใกล้ๆจะตื่นแล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเออตะกี้นี้มันฝันอยู่แต่ว่าเราเป็นคนบอกว่าให้มันพูดอย่างนั้นน่ะนั่นแหละนิสัยเราล่ะชอบจัดการ แล้วก็สภาวะต่อมาแล้วเจ้าคะ่ะล่าสุดเนี่ยโยมเออมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเหมือนกับกืบจะตื่นแล้วเจ้าค่ะเหมือนก็รู้สึกตัวมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีลูกอะไรกลมๆมัมนเต้นด้วยแล้วก็หมุนด้วยพร้อม ๆ, ๆกันมันโดดๆแล้วมันก็หมุนๆแล้วมันหมุนแล้วโดดพร้อมๆกันเลยเจ้าค่ะอยู่กลางหน้าอกมั้ไม่เจ้าค่ะเหมือนกับว่ามันอ ย, นอยู่มันอยู่ใกล้ๆหัวมันอยู่ข้างๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่างมันไม่สนใจสนใจรู้ทันที่จิตค่ะ แล้วก็อันนี้โยมยังพยายามจะมีวิหารธรรมแต่มันไม่สําเร็จใจของโยมนะมันเป็นคนที่ฟุ้งง่ายนะงั้นหาอารมณ์กรรมาฐานมาเป็นเครื่องอยู่หน่อยนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบทอะไรหามาอยู่สักอันหนึ่งจนะช่วยให้ใจมันสงบลงพอจิตใจสงบแล้วคราวนี้มันจะดูง่ายขึ้นโยมควรจะทําสมาธิหรือว่าเดินจงกรมให้มากขึ้นไหมเจ้าคะ มันจะไหวไหมถ้าถ้าพยายามมันก็น่าจะไหวแล้วค่ะอย่าไปเค้นมันนะคเพราะว่ามันมันม่องคับให้สงบเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างไงนวเจ้าค่ะพราอออกมาจากสมาธิมันก็มุนตุบบางทีนั่นไปบังคับมากไปนะทําสบายๆแต่ถ้าเดินเอาบางทีมันก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นั่นเดินเล่นเดินแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเอาง่ายๆอย่างนี้ยไม่ใช่เดินเอาสงบนะถ้าเดินแล้วหวังว่าจะสงบเนี่ยจิตจะทุกข์ขึ้นมาเครียด วิหารธรรมของโยมคือควรจะเป็น อ, อ, อย่างเช่นโยมจะบริกรรมว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะได้บริกรรมอะไรก็ได้อันนั้นก็แล้วมันจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมคะถือว่าโยมปฏิบัติก้าวหน้าไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าโยมรักษาศีลข้ อ, ข, อข้อมูสายโยมไม่ได้โกหกแต่โยมชอบเล่าเรื่องของคนอื่นแต่มันเป็นความจริงอะคะ่ะก็อย่าไปเล่าสิ <c oughs> มันก็แบบว่าเขาพูดจริงๆไงเจ้าคะ่ะ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เรื่องจริงแต่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์นะประกอบด้วยเมตตาอะไรเงี้ยหมอกับกาลเทศะอะไรี้มันมีหลายเงื่อนไขนะการพูดไม่ใช่ว่าจริงเราพูดไดอ้อย่างนี้เราก็ยังแบบว่าเหมือนกับสีข้อมูสารนี้เหมือนกับว่าเราด่างพลอยใช่หมเจ้าคะ่ะด่างพลอยนะ ทำให้ใจฟุง้งซ่านถ้าเราทําได้ตัวนี้เราจะปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นไหมเจ้าคะ่ะถ้าไม่ฟุง้งซ่านมันก็สงบขึ้นคืออย่าพูดเรื่องของคนอื่นถึงกว่ามันมันจะติงก็มไม่ต้องพูดเออช่างเรื่องเขาไม่ใช่หน้าที่โอเคแล้วหลวงพ่อมีการบ้านอะไรที่ให้โยมไปเพิ่มเ<อ>ติม<ห>ไหม<ะ>แล้วนะไปหาเครื่องอยู่มานะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้สิ่งหนึงหรือจะอยู่กับรู้สึกรู้สึกอะไรก็ว่าไปแล้วนะแล้วก็คอยรู้สึกไปแล้วโยมจิตตื่นขึ้นมาาาบ้้งงหรือยัเจคะ น่าไว้ค่อยถามคราวหน้านะขอบคุณค่ะน้ำมศการหลวงพ่อครับตื่นเต้นวันนี้มีปิติมากครับเพราะว่าเคยมากราบหลวงพ่อครั้งแรกมาสามปีที่แล้วแล้วก็หายไปสามปีครั้งนี้ครั้งที่สองมาก็ได้ส่งกันบ้านเลยครับก็ช่วงที่ผ่านมาฟังซีดีหลวงพ่อตลอดแล้วก็ปฏิบัติโดยต่อเนื่อง ทีนี้มีปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งคือเมื่อประมาณปีที่แล้วไปปฏิบัติที่ไปอยู่เจ็วันปรากฏว่าเข้าไปได้วันเดียวตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่7เกิดอาการไม่มีเรี่ยวแรงเลยทำคือไม่มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมายืนก็จะลม้มลงไปนั่งก็ลม้มก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนอแล้วก็นอนภาวนาแล้วก็หลับหลั บ, ลบตื่นตลอดทงวันออก็บอกเขาอะครับว่าไม่ไหวจริง เสร็จเราก็พอหลังจากตรงนั้นออกมาก็พยายามปฏิบัติต่อแต่ก็ยังเป็นอาการคล้ายๆเดิมตลอดจนกระทั่งก็ได้เลิกทําไปประมาณ6เดือนตอนนี้กลับมาทําใหม่ก็เหมือนสตาร์ตตั้งต้นตั้งแต่เริ่มหัดเดินใหม่ตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มตั้งมั่นได้มากขึ้นแต่ก็กําลังกลัวว่าคือไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นไปปฏิบัติอะไรผิดทําไมมันถึงเกิดอารมณ์อย่างนั้นขึ้นแล้วก็ทราบนะหลวงพ่อไม่เห็นนะ ครับก็แล้วคือตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่จะเป็นเนื่องจากปกติจะมีธุราวุนวายทั้งวันก็จะหาเวลาเข้าไปนั่งในวัดก็จะเริ่มจากการทำกรรมฐานพุทโธจนกระทั่งจิตตั้งมั่นได้ในระดับหนึ่งถึงจะเริ่มปรับลงมาเป็นวิปัสสนาหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับของคุณโดยภาพรวมนะเวลาพอนานะทาแบบให้ใจสบายๆอย่าคาดหวัง ถ้าเราคาดหวังแรงไปบังคับมากไม่ดีรู้สบายๆไปจะจะอยู่กับพุทโธจะอยู่อะไรก็อยู่อย่างสบายๆนะแล้วจิตใจเป็นยังไงให้รู้ทันรู้ทันใจไม่ได้บังคับใจนะจะอยู่กับพุทโธจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้แต่พอรู้แล้วอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันครับดูไปสบายๆ อย่า ก, กดอย่าข่มไว้นะข่มมากมากบางทีเครียดไปครับขอบคุณหลวงพ่อครับคนนี้ยังไม่ทันส่งกันบ้านเลยดมเดี๋ยวดมแล้วเดี๋ยวเราดมก่อนตอบ <c oughs> เราก็มีเหมือนกันขอ เ, เป็นวาสนาหลวงพ่อสะค่ะดังๆเราแก่แล้วหูตึงลูกอยู่ต่างประเทศนะเจ้าค่ะแล้วก็มีพี่สาวคือคนนี้ช่วยส่งซีนีแล้วก็หนังสือหลวงพ่อไปให้ทีนี้ก็ ตั้งใจทำคิดว่ามีความพยายามอยากจะทําอยากจะได้ดีพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิ hmm. เท่าที่จะทําได้นะคะ hmm. เพราะว่าลูกมีสามีแล้วก็ลูกสาวหน hmm. คนลูกก็ต้องต้องต้องมีภารกิจอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ลูกก็พยายามแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกอยู่คนเดียวเนี่ยลูกจะพยายามมาอยู่กับลมหายใจเหมือนกับว่าลูกพยายามจะจะทำ hmm. ตอนแรกๆมันจะดีมันจะแบบว่ารู้อันนู่นรู้อันนี่แล้วก็แบบว่าทํานู่นทํานี่ได้พอรู้สึกว่ามันดีพอนานๆไปมันเหมือนกับไม่ทําอะไรมันแบบมันก็เนิ่น ๆ, ๆนานไปมันก็ <c oughs> แต่ว่าเราจะพยายามจ ะ, จ ะ, จะปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะทุกวันอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจิตหลงไปจิตเป็นยังไงคอยรู้คอยดูเรื่อยๆเอานะอยู่ๆจเจริญสติ ในชีวิตประจำวันดูจิตไปอย่างเดียวเรื่อยๆไปนะไม่มีแรงพอหรอกนะงั้นเราก็ต้องมีเครื่องอยู่ของจิตบ้างอย่างหลวงพ่อตอนก่อนจะไปเจอหลวงปู่ดูนเลงหลวงพ่อทําสมาธินะหลวงพ่อทําอานาปนานสติในจิตมันมีกําลังและไปเจอหลวงปู่ ด, ดูลดูจิตง่ายเลยเห็นมันทํางานเห็นอะไรไม่ไปเพ่งมันนะของคุณใจมันไม่ค่อยสงบใจมันฟุ้งเยอะถ้าใจมันฟุ้งมากอย่างเนี้ยนะอย่างน้อยที่สุดคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไว้ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเอาร่างกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเห็นไปเลี้ยงลูกไปอุ้มลูกเห็นร่างกายมันอุ้มลูกดูแลสามีเห็นร่างกายมันคดข้าวให้มันทำงานให้อะไรเงี้ยทำดูกกลบ่อยๆแต่อย่าไปทำใจให้เคร่งเครียดแล้วก็เวลาขี้โมโหขึ้นมานะหงุดหงิดขึ้นมาให้รู้ทันไวๆใช่ใช่สิไม่หลอกหรอก ใช่ค่ะเรื่งนี้ลูกต้องทําสมาธิมากมากหรือเปล่าไม่ไม่ใช่มากๆเห็นไหมว่าทําอะไรก็จะจริงจังไปหมดนั่นแหละจุดอ่อนหัดทําเล่นเล่นเพราะเวลาสวดมนต์บางทีก็ตั้งใจมากรู้สึกว่ามันปวดข้างหลังข้างหลังขึ้นนั่นแหละที่ผิดอยู่คือจงใจมากไปจงใจมากะทําให้มันผ่อนคลายบ้างทำอย่างมีความสุขส่วนมนต์นั้นมีความสุขอนะไม่ใช่ จำใจสวดรีบรบสวดให้จบจบไปจะได้พ้นเวรพ้นกรรมไม่ใช่งั้นนะบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นไงเป็นแต่พยายามจะคิดว่าเนี่ยสวดเพื่อเอาบุญมันยิ่งนานยิ่งดีพยายามจะยืดมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละยิ่งสวดยิ่งมีโทสะสวดได้บาปอ๋ออย่างนี้ลูกก็ต้องกลับไปพยายามมีความสุขกับสิ่งที่ทําแล้วพยายามรู้ตัวให้มากมีความสุขแล้วก็รู้สึกตัวให้มากๆนะแล้วเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานดูบ่อย เวลาไหว้พระสวดมนต์นะไม่ใช่รีบๆเอาไม่ต้องสวดเยอะนะ<ม>สวดไม่ต้องเยอะก็ได้แต่สวดให้สบายใจคีย์เวิร์ดมันคือว่ามีความสุขกับการใช่ใช่ไหมฮะถ้ามีความสุขได้เมื่อไหร่สมาธิจะเกิดเมื่อนั้นพอมีความสุขในการทำงานก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิแล้วเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูนี่เริ่มเดินปัญญา<ม>จาได้ไหม จะไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าไปฟังซีดีเอานะแสดงว่าลูกกลับไปลูกก็ต้องปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ให้มีความสุขแล้วเบาลงกว่าเดิมอย่าทำด้วยความโลภนี่ทำไปด้วยความโมโหตลอดเวลาเพราะมันแรงเพราะว่ามันเป็นแรงมันโทสะมันแรงเออนะนั่นแหละสงสารลูกด้วยหมดยังกรับนมัสการหลวงพ่อครับสบายใจนะ ถามอย่างมีความสุขหน่อยอย่าเครียด ย, ยิ้มก่อนก่อนถามต้องยิ้ม <c oughs> ยิ้มหวานหวานก่อนหวานพอครับก็ป ฏ, ฏิบัติมาประมาณปีกว่าครับเน้นการดูส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับเน้นการดูจิตรู้สึกว่าดูจิตได้ได้ชัดกว่าดูกายนะฮะแล้วก็บางครั้งเห็นการเกิดดับเช่นสัญญาผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคือผุดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ ระ ล, ลึกไดว้ว่าสัญญาผุดนะครับนีระยะหลังเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วแผ่วในเรื่องของอสติที่มั น, มนแผ่วแผ่วเบาไม่ชัดเจนะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความขี้เกียจที่แทรกเข้ามาด้วยนะครับก็เลยวันนี้ตั้งใจว่าจะมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่า <c oughs> อย่าขีา้เกียจสิครับ นะรู้สึกบ่อยๆนะแต่รู้สึกทั้งวันนะฮะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะขี้เกียจจริงๆแล้วช่วงเช้าเป็นช่วงที่ตัวเองรู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีขี้เกียจก็ภาวนาขี้เกียจก็ได้แต่ขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนะขี้เกียจเราไม่เลิกรู้ครับขนะยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัติไม่เลิกคอันนี้บางครั้งเนี่ยถ้าช่วงที่รู้สึกว่าปฏิบัติดดีเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งแทรกเข้ามาเป็นลักษณะของ ของการลบหลู่นะฮะภาลัสนาไตรายให้รู้<ส>ทันไปนะดูไปเลยมันแทรกเองมันไม่ใช่เราเหรอก ม, มันทำงานของมันเองเวลาที่กิเลสเกิดนะพวกเราตกใจมากไปนะเวลากิเลสเกิดนะบางคนตาลีตาลานเลยตายแล้วกิเลสมาไม่ดีนะกลัวมากไปความจริงกิเลสนั่นแหละแสดงไตรลักนะกิเลสเสียท่าเรานะถ้าเรามองเป็น งั้นอย่างจิต อ, อยู่มันลบหลู่พระรัตนตรัยขึ้นมาเราเห็นเลยจิตมันลบหลู่พระรัตนตรัย จ, จิตนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้ลบหลู่นะเพราะงั้นบาปอยู่ที่ จ, จิตเราไม่เก for ี่ยวให้จิตมันตกนรกคนเดียวครับก็หลังๆจะรู้สึกลักษณะนั้นขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเป็นกลางนักในอารมณ์ที่แรงๆเนี่ยจะยังไม่ค่อยเป็นกลางนะแต่ว่าถ้ารมแผ่วๆเนี่ยจะจะค่อนข้างดีนะครับต่อไป นาัส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ, อก็ส่งกันบ้านในรอบ9้าเดือนที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่ะก็คือทําสมถะมากขึ้นนะคะเช้ากับเย็นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับใจมันมีกําลังมากขึ้นนะคะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับคล้ายๆจิตมันไปติดเฉยเจ้าค่ะให้รู้ทันสินะอย่าให้จิตติดเฉยให้มันมอมแอคทีฟไว้รู้ทันแล้วไม่เป็นปัญหาแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแต่เหมือนเหมือนไปแบบกดกดมันไปถูก<ว>นะตื่นเต้นไปกดถูกต้องให้รู้อย่างที่มันเป็นตื่นเต้นห้ามไม่ได้บางทีรู้สึกเหมือนกับตัวเองแบบเหมือนกับพอช่วงที่รู้สึกว่าวเหมือนจะภาวนาดีแต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าคะ่ะก็รู้สึกเหมือนกับตัวเองมีมีความอ ด, ดีอะคะ่ะขึ้นมาว่าแบบฉันดีฉันแน่อะไรแบบนี้เออ<ม>ดีะะที่รู้ทันนะ เพราะงั้นไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราหรอกมันเกิดได้เองรู้สึกไหมเราไม่ได้เจตนาอวดดีนะเออมันความอวดดีมันเกิดขึ้นมาดูลงไปเรื่อยมีแต่ใจรักขอบคุณค่ะหวดีตลอดเวลาไหมไม่เหมือนได้เที่ยงนั่ะมันแสดงใจรักแล้วอ้าต่อไปนวัตการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้มันเฉยเฉยเนืเนยนะคะ แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมีกําลังแต่ก็ยังทําในรูปแบบอยู่ทุกวันสม่ําเสมอนะคะก็เลยจะขอคําแนะนํานะคะบางทีเราก็ต้องกระตุ้นจิตเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่อสมัยเป็นโยมบางครั้งก็เฉยเหมือนกันนะบางครั้งเราก็เหนื่อยเนื่อยไปเราก็กระตุ้นด้วยการไปหาครูบาอาจารย์บ้างนะไม่มีโอกาสไปหาครูบาอาจารย์นะเราหาหนังสือธรรมะมาอ่านบ้างหรือเวลาครบกับคนนะเราเลือกคบคนที่เขาเจริญสติ คุยกันเรื่องเจริญสติเราไม่คุยกับคนที่พาให้เราขาดสตนะิเลือกกาลยานามิตรเลยสิ่งเหล่า น, นี้ช่วยให้เรามีแรง <c oughs> อย่างถ้าเราไม่มีกาลยานามิตรนะ <c oughs> มีแต่คนที่ชวนคุยเรื่องตืลิดเปิดเปิงอย่าคุยด้วยดีกว่าเนะฉะนั้นต้องกระตุ้นมันบ้าง <c oughs> อย่างเวลาจะไปส่งงานบ้านครูบาอาจารย์นะจะขยันนะแต่บางคนมันก็ใจใจเย็นไปไม่ขยันหน้าวัดขอบคุณค่ะ <_ an> เขาก่อนหลวงพ่อให้ไปดูเรื่องสินกับเรื่องไปทําในรูปแบบเพิ่มนะครับก็ทําทําวัดชาวัดเย็นทุกวันนะครับนั่งสมาธิดีจิตมีแรงขึ้นไหมครับมีครับนะมีนะถ้าเราไม่ทําในรูปแบบเราจะไม่มีกําลังะปัจจุบัน <EE? S 1> ก็มีความสุขที่ได้เห็นความทุกข์ที่มันไหลามาไหลไปเป็นอะไรนะเห็นความทุกข์ที่มันไหลามาไหลไปนะดูไปเรื่อยเห็นไหมทุกอย่างไม่เฉพาะความทุกข์นะทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไป น, นี่คือการเดินปัญญานะใจเราเป็นแค่คนดูนะดูอย่างเป็นกลางเห็นทุกอย่างไหลามาแล้วก็ไหลไปดู อ, อย่างนั้นบ่อยๆครับหลวงพ่อมีตอนที่พูดดังหน่อยเถอะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินมีวันหนึ่งที่หลับไปแล้วนะครับแล้วก็มันสติมันรู้ตัวได้กลางดึกอะครับมันอะไรนะมันมันระลึกรู้ตัวได้อะครับออแล้วก็เหมือนมีมันมันจับจิตจับใจอะครับแบบแสงสว่างมันเปี่ยงมาแล้วก็มัน รู้สึกว่าในตัวเรานี่มันมันไม่มีเรานะครับเออแล้วมันก็หลับต่อไปหรอครับทำไมมันแฮปปี้เอนดิ้งอย่างนั้นมันเหมือนมันเหมือนฟาผ่าเปี้ยงมาแล้วก็มีอะอรกอักไหมเห็นมันแหวกออกป่ะมันสว่างขึ้นมาไหมสว่างสว่างเปี้ยงเลครับแล้วหลังจากนั้นมีเราอีกไหมก็สังเกตมาเรื่อยๆกิเลสกิเลสที่ มันเรียกว่าเรานี่มันก็ยังพอมาอยู่อะ่ออะยังดูไปดีที่ไม่โดนหลอกนะครับอะไรก็สู้สติปัญญาของเราไม่ได้บางคนภาวนาแล้วพอเกิดปรากฏการแปลกๆนะไปน้อมใจเชื่อแลตอนนี้โสดาแล้วรวมลงไปวูบหนึ่งโผล่ขึ้นมาตื่นครามจริงนั่งหลับไปวูบโมได้โสดาแล้วนั่งต่อปุ๊บได้สกทาขาอย่าไปเชื่อไมเต้องสำรวจใจนะครับสรวจใจไปเรื่อยๆ ที่ฝึกอยู่ดีนะทําให้สม่ําเสมอนะจิตมีแรงแล้วสังเกตไหมว่าทุกอย่างมันของถูกรู้ถูกดูอันนี้ยดูออกแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกดูมาแล้วก็ไปครับเห็นไหมทุกอย่างที่ถูกรู้ถูกดูมีเหตุถึงจะมาหมดเหตุแล้วก็ไปครับนะฝึกอย่างนั้นนะ่ะจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงรนะถ้าจิตยอมรับความจริงได้ก็เข้าใจธรรมะแล้วครั้นจริงๆแล้วธรรมะไม่ยากนะ ธรรมะไม่ยากหรอกแล้วธรรมะอยู่กับเรามาตลอดเลยเพองแต่เราทอดทิ้งธรรมะธรรมะก็คือรูปธรรมนามธรรมในตัวเรานี่เองนะถ้าเราไม่ทอดทิ้งธรรมะนะวันหนึ่งเราเข้าใจธรรมะเราเข้าใจธรรมะได้ชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนนะต่อให้โลกแตกไปต่อหน้าต่อตานะมันก็แค่สภาวะที่เกิดดับนะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะถึงจุดหนึ่งนะคุณสผลบุญขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาลูกศิษย์หลวงพ่ออย่าลืมพระพุทธเจ้านะ ถวายหลวงพ่อแล้วลืมครูใหญ่ไม่ได้นะครับหลวงพ่อยังกราบพระพุทธเจ้าวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยครั้งเลยมีผู้ฝากคาถามมาครับหลวงพ่อว่าถ้านั่งสมาธิรู้ลมหายใจเนี่ยอย่างไรถึงจะเป็นสมถะอย่างไรถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้ารู้ลมหายใจนะแล้วก็เอาลมหายใจเป็นอารมณ์ก็เป็นสมถะนะ แต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนาวิธีดูลมหายใจเป็นสมถาก็จะรู้ลมไปทีแรกบางคนจะมีฐานของลมนะฐานแต่ถ้าไม่มีฐานเนี่ยลมจะค่อยๆหดสั้นลงเรื่อยๆเพราะในพระใจปิฎกท่านจะพูดถึงหายใจยาวก่อนแล้วหายใจสั้นทีหลังนะลมมันจะสั้นลงสั้นลงนะจนกระทั่งมาแผ่วอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวถัดจากนั้นมันจะเปลี่ยนจากลมเนี่ยมาเป็นแสงสว่างนะใช้แสงสว่างนั้นเป็นอารมณ์แทนลมหายใจนะ แสงสว่างนี้เรื่องอุคขานิมิตแล้วนะฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปมันบังคับได้นะให้เล็กให้ใหญ่ให้โตให้ไปทําอะไรก็ได้อยู่อยากรู้อยากเห็นอะไรนะเข้าไปอยู่ในความสว่างนี้นะฉายแสงไปดูอะไรเยงนี้นี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยนะหลือจิตสงบจิตสบายเฉยสว่างอยู่เฉยๆได้สมถะถ้ารู้ลมหายใจจะทํำวิปัสสนาะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เรานะ เป็นรูปธปรรม ท, ที่เคลื่อนไหวมีรูปไหลเข้ามีรูปไหลออกเรื่อยๆใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่มีตัวเรานะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นอย่างนี้ก็เดินปัญญาต่อไปแต่ว่าสมถะก็ทำนะไม่ใช่ไม่ทำไม่ทิ้งสมถะหรอกคนไหนทำได้ก็มีบุญนะเพราะว่าคล้ายๆเราเดินทางไกลนะตกค่าเราก็มีที่พักมีโรงแรมให้นอนมีข้าวให้กินอะไรเงี้ยก็ภาวนาสบาย บางคนไม่มีสมถะทาสมถะไม่เป็นจเจริญปัญญารวดไปเลยเนยีพวกนี้แห้งแลง้งเรียกสุ ข, ขวิปัสสกะพวกไปด้วยความแห้งแลง้งเดินทางไกลไปนะตกค่ําก็ไปอยู่ข้างถนนนะหาเผือกหามานันกินนอนใต้ต้นไม้ไปได้ไหมไปได้เหมือนกันวันนี้เจอคูน้ําอาบในคูวันนี้ไม่เจอก็ไม่ต้องอาบอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนพวกที่ไปถึงก็นะมีที่พักแล้วมีอาหารมาเสิร์ฟแล้วะ งั้นคนไหนทำสมถะได้ก็ทำแต่อย่ามัวกินอาหารอยู่ในโรงแรมจนไม่ยอมเดินทางต่อนะครับเราก็ฟังทำกันมาสมควรนะครับออขอถือโอกาสท้ายนี้เป็นตัวแทนทุกท่านในการกล่าวคำถวายทานแด่พระจารย์นะครับทุกท่านตั้งจิตไปพร้อมกับผมนะครับ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 สัพเพภูเรนตูสังกัป่าจันโทปันนราโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะาอภาิวาธนาสีลิสนิจังมุธาปจจายิโนจตตาโรธรรมาวัฏ ท, ทันติอายุวันโนสุขังพะลัง เราไม่ทิ้งธรรมะธรรมะไม่ทิ้งเรานะรู้สึกเอาธรรมะอยู่กับตัวเองมีอยู่แล้วทุกคนนะรู้สึกในกายในใจ